เช่นจะสร้างบ้านเป็นต้นรูปของบ้านจะต้องเกิดในห้วงคิดก่อนแล้วต่อมาจึงจะปรากฏออกมาเป็นบ้านจริงๆจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าโมนโนภาพเกิดง่ายและเกิดได้รวดเร็วเท่ากับความนึกคิดและในเมื่อตัวตวนในความฝันซึ่งในครั้งแรกก็เป็นเพียงโมนโนภาพแต่แล้วในบางครั้งกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาได้ก็แปลว่าตัว ต, วตวนซึ่งเป็นโมนโนภาพนั้น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 เพราะเหตุนี้แหละอานนท์เราตถาคตจึงได้กล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปพุทธพจน์บทนี้มีอยู่ในมหานิทานสูตรประไตยปิฎกเล่มที่สิบอันหนึ่งในบาลีอักคัญยสูตรพระไตยปิฎกเล่มที่สิบเ็ดพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์พวกแรกนั้นมาจากโคมอภัสระ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 ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศในโลกมนุษย์กายทิพนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามภูมิและในทํานองเดียวกันในชาตินี้เราเกิดเป็นคนและเมื่อตายจากคนไปเกิดเป็นโอปปปาติกะซึ่งมีรูปร่างเหมือนคนแต่ถ้าหากในขณะที่กําลังจะจุติจากชีวิตโอปปปาติกะจิตเกิดเป็นอกุศลขึ้นมาและแล้วต้องมาปฏิสนธิในท้องของสัตว์ในโลกมนุษย์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 เป็นต้นกำเนิดสำคัญของการเกิดเป็นสารและวัตถุในเวลาต่อมา